ก็ได้พูดมาในพระสูตรแรกแต่ว่าก็จะข้ามบางพระสูตรไปที่มันค่อนข้างยากก็พระสูตรต่อไปนั้นเรียกว่าขัตติยสูตรคือสูตรที่ บ, าบ้านว้ษกษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐที่สุดก็มีเทวดาตนหนึ่งได้กล่าวแสดงความคิดเห็นของตน ในสิ่งนี้ตนคิดว่าประเสริฐสุดในโลกในสี่ประการเราเห็นว่าลักษณะความเชื่อตรงนี้มันเป็นวัฒนธรรมท้องถิ่นที่เขาเชื่อกันมันไม่ใช่ข้อยุติเพราะนั้นคือความถูกต้องชั่วนิรันดร์แล้ก็ทำนองคล้ายๆกับมีเรื่องเป็นอันมากที่เราพูดมันก็ถูกในกาลหนึ่งเทศะหนึ่งในท้องถิ่นหนึ่ง มันเป็นวัฒนธรรมท้องิีนเป็นระดับของความเชื่อแต่พอสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปมันก็เปลี่ยนแปลงคือแต่เรามองนึกถึงโครงสร้างความคิดเหล่านี้แล้วเราก็ดูไปที่สังคมอารยันในปัจจุบันคือที่ประเทศอินเดียเนี่ยเรียกนวคําคเสนอแนะของเทวดานั่นก็ผิดไปเยอะแล้ว ท่านบอกว่ากษัตริย์ประเสริฐสุดในหมู่สัตว์สองเท้าโคตถึกประสสริฐสุดประเสริฐสุดในหมูสัตว์สีเท้าพัญญาวัยรุ่นประเสริฐสุดในหมู่พัญญาบุตรบุตรหัวปีประเสริฐสุดในหมูของบุตรเรนชัดเจนว่าเป็นความเชื่อในลัทธิพราหมณ์และพราหมณ์เขาก็เชื่ออย่างนั้นจริงๆ แม้ในปัจจุบันเนี่ยก็ยังมีคงความจริงอยู่หลายๆเรื่องแต่ประเด็นแรกเราเห็นว่าเปลี่ยนไปแล้วประเด็นนี้ว่ากษัตริย์ประเสริฐสุดในหมู่สัตว์สองเท้าเพราะว่าสังคมอารยันเขาเปลี่ยนแปลงตั้งแต่สมัยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นยุคพุทธกาลแต่ความเที่ยงแนว น, นี้มันก็มีมาก่อนก่อนยุคพุทธกาล แต่เราก็จะพบว่าสังคมของอินเดียเริ่มเปลี่ยนแปลงมาเรื่อยแล้วก็มีต่างชาติเข้ามารุกรานแล้วก็ยึดครองก็เปลี่ยนกันมาโดยลำดับบางครั้งก็ต่างชาติต่างเผ่าพันธุ์กันจริงๆงแต่บางครั้งก็พลิกเปลี่ยนโฉมหน้าของผู้นำในชมพูทวีปที่เป็นส่วนรวมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือยุคของอารยันกับยุคของมิรลค่ะเนี่ย หรือในอย่างชัดเจนว่ากษัตริย์ที่เป็นมิลขะก็กลายเป็นทาสไปกษัตริย์ที่เป็นอริยันก็กลายเป็นใหญ่ไปแต่ถ้าเรามองดูอีกทีหนึ่งว่าตอนที่กรีเก็เข้ามาเนี่ยก็ตอนนั้นก็พอสอบประมาณสักสองกกว่าแล้วก็ต่อจากนั้นไปอีกคือถ้าเราดูคนว่ามันเปลี่ยนแปลงไปไปเยอะมาก พวการาชการในกองทัพของอลิซันเดอร์เองก็กลายเป็นกษัตริย์ก็มีกลายเป็นโจนไปก็มีแล้วกลายเป็นต้แนแ่งอมามบาทเป็นต้นนี่ก็มีตลอดตั้งกลายเป็นคนยากไร้ไปก็มีก็ในหมู่ของราชวงศ์เองอย่างถ้าเรานับตั้งแต่ หลังสมัยพระเจ้าก็เรียกว่าพระเจ้าอาสูกนะนะไม่ใช่ไม่ใช่พระเจ้าอาสุกพระเจ้ากาลานสุกกระดก็อตอนนั้นก็ตกพศพศหนึ่งร้อยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงนะฮะเราเห็นว่าพวก ต่อมามันก็เป็นคนทั่วไปเนี่ยแต่ว่ายึดบ้านเมืองได้ก็กลายเป็นกษัตริย์ในราชวงศ์นันทะแล้วต่อมาก็กองโจรนะฮะของหมาโจรจันรรคุปตซึ่งเป็นปู่พระเจ้าโศกเนี่ยที่จริงก็ท่านก็เริ่มต้นจ็กโจรมาก่อนเพราะฉะนั้นในระบบความเชื่อแนวเนียมันมันเป็นความเชื่อของวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ใช้ได้ระยะหนึ่ง ถือว่าความถูกต้องในขณะนั้นนั้นแต่ว่าพอเอามาใช้อีกคราวหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามันผิดเยอเนี้มหาราชานอินเดียนีย่เยอะเลยก็อยู่อย่างเศรษฐีคนหนึ่ง น, นะอยู่ในแลนดลอดเป็นเจ้าของที่ดินเยอะๆก็มีรูปน า, เ, าเก็บค่าเช่าเก็บผลประโยชน์ต่างๆก็ตัวเองก็อยู่ อยู่ดมีสุขแบบเศรษฐีคนหนึ่งแต่ค่าใช้จ่ายก็สูงแล้วก็มีค่าธาตุบริวารที่จะต้องดูแลที่ใสอันก็ไม่ค่อยสนุกนักเท่าไรหร่หรอกแต่บางคราบางคราวมันก็ยากจนลงก็ขายวังวังก็ถูกยึดไปเยอะ อันนี้คือตัวอย่างให้เห็นว่าคําว่ากษัตริย์ประเสริฐสุดในมูสัตสองเท้ามันก็ใช้ได้ในขณะนั้นแต่ทีนี้มันมันประเด็นเนี่ยประเด็นว่าใช้คำว่าสัตสองเท้าวเลยสับสนเลทีเนี้ยเพราะในความเป็นจริงเนี่ยคือถ้าเอาสัตสองเท้าเป็นเกณฑ์เนี่ยกษัตริย์ก็เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าเอาแม้แต่ในศาสนาอื่นเนี่ยศาสนาคริสต์เองก็ลูกศิษย์เป็นกษัตริย์เยอะ ศา ส, สนาอิสลามก็รู้สิทธิเป็นกษัตริย์เยอะศาสน า, าพราหมณ์เองก็รู้สิทธิเป็นกษัตริย์เยอะเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงส่งทรงตอบนะฮะส่ตงตอบว่าพระสามพุทธะประเสริฐสุดในหมู่สัตว์ตสองเท้าคำนี้ไม่ได้หมายความว่าพระพุทธองค์เองนะฮะแต่ว่าใครก็ตามที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณะเนี่ยประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เอนี้เขาก็เป็นกันมาจนถึงปัจจุบันโดยเห็นว่าใครก็ตามแต่พัฒนาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดนั้นได้เนี่ยก็เป็นที่เคารพสักการะนับถือของคนทั้งหลายแน่นอนท่า น, ท, านท่านไม่ได้มีอำนาจในการสั่งการบังคับบัญชาหรือบงการใครแต่ว่าคำพูดคำจาคำแนะนำสั่งสอนของท่านก็มีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่ยอมรับนับถือคนทั้งหลายของคนทั้งหลาย แลเราเห็นว่าประเด็นที่ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประเสริฐสุดในหมูสัตว์สองเท้าเนี่ยก็ยังเป็นความจริงอยู่แต่กษัตริย์เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมูสัตว์สองเท้าเนี่ยก็เป็นจริงในบางบางแห่งในบางประเทศอย่างสังคมโลกเราปัจจุบันเนี่ยก็มีประเทศที่มีประมากษัตริย์อยู่เพียงยี่สิบเกประเทศในประเทศจมูดมากนะฮะเป็นร้อยสองร้อยกว่าประเทศ ก็มีกษัตริย์อยู่เพียงเพียงยี่ก้าประเทศเพราะหลักการในศาสนาท่านจึงไม่ได้ถือว่าคนเราประเสริฐด้วยชาติตระกูลหรือด้วยทรัพย์โดยการสืบเชื้อสายแต่ว่าคนเราจะเป็นคนดีหรือคนเลวเนี่ยเพราะการกระทาที่เกิดขึ้นในขณะนั้นน่น คนเราพร้อมจะเป็นคนดีเพราะการทําการพูดในขณะนั้น น, นพร้อมที่จะเป็นคนเลวเพราะการทําการพูดเราในขณะนั้นนั้นแล้วก็จริงเนี่ยไอ้ตัว ก, กรรมเนี่ยมันมันจะเป็นความถูกต้องมากที่สุดเปลงในจจะบางครั้งบางคราวประธานาธิบดีถูกจับติดคุกบางคราวนายกรัฐมนตรีถูกจับติดคุกบางทีก็ถูกประหารอะไรตนะ่าง เห็นได้ชัดเจนเลยว่าฐานะตำแหน่งชั้นยศชาติกุลนี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกถ้าเธอทำชั่วไอ้ตรงนี้มันมันมีความเป็นสากลสูงกว่าแต่แนวความคิดเ่าเนี่ยเรายังมองถึ ง, ถงวันก่อนเนี่ยราดูรายการถอดรหัสเขาหน่อยนยฮะถึจะเป็นวันวันที่หนึ่งกรกฎาคม ก็มีคนจะไปหลอกชาวบ้านจะร้องเงินเขาเยอะมากจะฝากให้เป็นหนึร้อยให้เป็นหนึ่งสิบคนเราก็น่าเอ็นดูคือฟังวิธีพูดของแก่แล้วก็คนเชื่อเนี่ยก็แสดงว่าคนเราอ่อนด้อยในด้านด้านองค์ความรู้ในเรื่องนั้นนั้น เจนแกตอบว่าแกส่งเข้าไปสอบสัมภาษณ์แล้วกับนายเวนไอ้เวนนั้นมีหน้าที่สัมภาษณ์เืองสัมภาษณ์มันพวกอีกระบบหนึง่งมันไม่ใช่คนอยู่เวนไม่ใช่ในายร้อยเวนหรือสิบเวนมันไปสอบสัมภาษณ์ไม่ได้หรอกและคนเชื่อนี่คือเป็นเรื่องที่น่าห่วงเพราะแนวความคิดตัวเนี้ย่เราจะถือว่าแกผิดหมดมันก็ไม่ได้ เพราะยังไงก็มีคนกลุ่มหนึ่งก็เชื่ออยู่แต่ว่าเมื่อใช้เกณฑ์สองเท้าเนี่ยพระอาจารย์ธรมสมาสมุทจาเป็นผู้ประเสริฐที่สุดอย่างที่ท่านสนังกุ ม, มาระพรมได้กล่าวไว้วคติโยชนโนเสโทช น, นตาสมิงเยโกตับไปสารีโนวิชาจนะสัมปนโนโซเสโทเดวมานุเซ ในมูชนที่ยังรังเกียจกันด้วยชาติ้วยโคตรคือถือชาติถือโคตรกันอยู่เนี่ยกระยัเป็นผู้ประเสริฐที่สุดแต่ว่าท่านที่สมบูรณ์ในวิชาและจรณนะนี่เป็นผู้ประเสริฐสุดในหมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเพราะฉะนั้นอย่างพระพุทธเจ้าก็เป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์หรือของพรห ม, มนะครับมันหมดเล ย, ข อ, อยของพระอรหันต์ด้วยของพระญาบุคคลหมด พัยอดคนเนี่ยผู้เจ้าก็เป็นยอดของยอดอีกทีหนึ่งเทวดาก็กล่าวว่าโคถึกประเสริฐสุดในหมูสัตว์สีเท้าเพื่อจะเห็นว่าลักษณะการพูดอย่างนี้นประเด็นเนี่ยประเด็นเอาสัตว์สี่เท้าเป็นเกณฑ์เพราะสัตว์สีเท้ามันเยอะนะสัตว์สีเท้านี่มันเยอะมากเลยเพราะเราจะาโคโทษถึกเป็นเกณฑ์ไม่ได้ อาจจะเป็นโคก็ได้อาจจะเป็นม้าก็ได้อาจจะเป็นช้างก็ได้อาจจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นก็ได้ที่บุนฝึกแล้วเป็นยอดสัตว์อ่ะคือเป็นสัตว์ชนิดไอยังเคยอ่านข่าวม้าแข่งที่ประเทศอินเดียมันหายไม่ใช่ที่ประเทศอังกฤษมันหายไปหลายปีไปแล้วเขาบอกว่าม้มาตัวเนี้มีราคาหนึ่งร้ยปอนหนึ่งร้ยล้านปอนสเตอร์ลิง โอ้โหมหาศาลเลยเป็นพันพันล้านเลยนะฮะพอหนึ่งก็ร่วมเจ็ดสิบาทอ่ยังนึกว่าอกขนาดม้าตัวเดียวในราคาขนาดนี้นั่นคือม้ามันฝึกมาดีตือนา่าแข่งชั้นยอดมากเพราะพูุทธเจ้าจึงรับสั่งตอบว่าอาชาในประเสริฐสุดในหมูสัตว์สีท่าเห็นไหมความสมเหตุสมผล ลักษณะการพูดโดยขาดก็เรียกว่าขาดหลักทางตรกศาสตร์และสุดถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันเกิดหาคำตอบไม่ได้ก็ตอนนี้มาบรรยายเรื่องการบริหารการจัดการองค์กรของพระุทธศาสนากับนักศึกษาปรญญาเอก เราก็พูดในในมุมของพุทธศาสนาแต่ในกระดาเดียวกันคําว่าองคอ์กรเนี่ยมันเป็นคําใหม่ที่เขานิยามขึ้นมาเราก็ต้องรู้กรอบเขาว่าเขานิยามมาอย่างไ ร, รก็ปรากฏว่ า, าแสดงว่าคําว่าองคอ์กรในกรอบที่เขานิยามเนี่ยแม้แต่ว่าครอบครัวผู้หญิงกับผู้ชายสองคนตกลงแต่งงานร่วมสุกร่วมทุกข์กันเนี่ยก็ถือองคอ์กรละเพราะฉนั้นองคอ์กรมันก็เริ่มจากครอบครัวไป แต่ในขณะเดียวกันเนี่ย<ร>ก็จะใช้วิธีการช่วงแรกเนี่ยจะบรรยายเอาวิชาในพระไตรปิฎ ก, กมาให้ดูเลย<ม>ก็แนวเนยยะต่างๆอนะที่จริงมันมันไม่ใช่เรื่องสลับซับซ้อนอะไรนะพวกนี้ที่เชนก็พูดหน้ากระดาษเดียวก็พอแล้วมันอยู่ที่ภาคบริหารจัดการเท่านั้นเองแต่เราก็เอานนยยะต่างๆมาให้ดูแล้วก็ให้นักศึกษาเนี่ย ร่วมกันยกร่างพระราชบัญญัติคณะสงฆ์คิดหมาหลยสมมติว่าคณะสงฆ์ที่อยู่ในกระแสโลกาภิวัตน์เนี่ยมันควรจะบริหารยังไงเพราะต่อไปโลกมันจะรายกลุมแดนแล้วก็สื่อสารโทรค ม, มนาคมการเคลื่อนย้ายของเงินทุนการเคลื่อนย้ายของเทคโนโลยีราพไฮเทคตลอดตั้งการเคลื่อนย้ายของของคน เราไม่มีทางไปเสดได้หรอกพวกเรานี่พอเราหนีเนี่ยมันไม่รู้จะหนีอย่างไงอะมันนี่อากาศหรือยังไงจะหนีได้ไงมีแดดนีลมนีฝนนีอากาศจะหนีได้ไงมันก็หนีไม่ได้มันต้องอยู่ให้ได้ทีจะอยู่อย่างไงกลายเป็นเรื่องใหญ่เลยก็ยางนึกว่าก็บอกเขาแล้วนะฮะคือให้เอกสารเขาไปแล้ว เขาไปศึกษาค้นคว้าไปทำความเข้าใจแล้ววันหลังเขาไปชุมมายกร่างกันกวหมายความว่าให้ตั้ศษาสมมติตัวเองเป็นนักร่างกฎหมายเป็นกรรมการร่างพระราชบัญญัติคณะสูงแล้วก็เป็นกฤษฎิกาตรวจสอบตอบทานตัวเอง แล้วก็ส่งข้าวไปที่รัฐสภานะฮะสมมุติว่าหรือว่าส่งข้าไปที่คณะรัฐมนตรีก็ได้ก็ทบทบทบทบทวนอีกรอบหนึ่งแล้วก็ข้าวไปที่รัฐสภาอภิปรายก็ลองให้ลองคิดดูนะฮะให้ลองคิดดูคือเราเราลองสังเกตว่าระบบการคิดเนี่ยบางทีมันคิดได้เฉพาะมุมใดมุมหนึ่งคือนึกว่าเก่งแล้วนะคล้ายๆกับรัฐธรรมนูญยกตัวอย่างรัฐธรรมนูญเนี่ย อีกอย่ศาสนาสองมาตราก็ลองคุยกับโสสรในตอนนั้นเขาก็บอกว่าเขาเข้าใจอย่างนี้นะแต่บอกว่าคําบางคําเนี่ยคุณไม่เข้าใจเช่นคาว่าศาสนาบัญญัติเนี่ยเอาควาจริงเขาไม่เข้าใจแต่เขาลงไปหรือาการอุปถัมคุ้มครองเนี่ยรเราเห็นว่าการอุปถัมภ์การคุ้มครองเนี่ยมันพระในฐานะที่เป็นราชฎลเนี่ยไปรับการคุ้มครองจากรัฐอยู่แล้ว วัดในฐานะที่เป็นนิติบุคคลไม่รับการคุ้มครองอยู่แล้วทีนี้พอใส่คำว่าอุปถรัรมภ์คุ้มครองพระพุทธศาสนาและาศาสนาอื่นมันก็สิทธิในการอุปถรัรมภ์เนี่ยมันจะกระจายไปทั้งห้าศาสนาแล้วพอพูดในนามาศาสนาก็ปรากฏว่ามันเป็นเรียกร้องสิทธิเสมอภาคแต่ในขณะเดียกันจำนวนศาสนิกเนี่ยชาวพุทธมันมากไม่รู้สักกี่เท่าตัวนะฮะ คือเวเนียาระชากร64ล้านชาวพุทธก็ประมาณพระ57ถึง8ล้านแม้ศาสนาบางศาสนาก็พูดว่าเขามีทั้ง20ล้านบ้าง16ล้านบ้าง8ล้านบ้าง6ล้านบ้า ง, 3, า ง, 4, างอะไร3ล้านบ้าง4ล้านบ้างอะไรแต่ก็บาไปนะแต่ว่าตัวเลขจริงๆเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเราจะใช้ตัวเลขราชการพราะพอได้รับการอุปถัมภ์เนี่ยมันจะมีปัญหาทันทีเลยเห็นไหมมันเขียนไม่รู้ครับ หรือแม้แต่ว่าเขียนเปิดโอกาสให้ยุบพักการเมืองได้เนี่ยยางนี้ก็เออเขียนกันไปได้ไงพักการเมืองนี่ไม่มีโอกาสทําผิดเราลองนึกดูนะฮะว่าเอาสมมุติวัดเนี่ยเอากลรมกองอะไรก็ได้แต่กรมกองมันทาผิดได้แล้วไปลงโทษที่กลุ่มกองไปลงโทษที่วัดเอาสมมติว่าพระวัดกอเนี่ย ถ้เกิดเป็นละเมิดประธรรมบินัยขึ้นมาก็สึกเฉพาะพระองค์กรนอ่ะพระองค์ที่ทําผิดอ่ะไปยุ่งคนอื่นทำไมไมันยุ่งคนอื่นได้ที่ไหนเพราะการยุบพักนี่มันถือเป็นเรื่องแปลกเองคนคิดที่แปลกที่คนทีเดียวคือเขียงก็ไปได้ยังไงเราไม่ติดใจเรื่องเรื่องเรื่องกระบวนการแต่เราติดใจความเขียงก็ไปได้ยังไงก็แสดงหมายความอย่างนี้ถ้าตํารวจชั่วสักคนก็ยุบสํานักงานตำรวจแห่งชาติ วัดมีพระช่วสักองค์ก็ยุบวัดอย่างนั้นเลย อ, อย่าลืม่าพระ ก, กันมือเป็นนิติบุคคลวัดก็เป็นนิติบุคคลแต่เวลเาลก็ลงโทษก็ลงโทษคนนะฮะไม่ลงโทษวัดกรมกองอะไร อ, อะไรทั้งหมดแหละก็ลงโทษคนไปลงโทษวัดไม่ได้มันเขียนแปลกแตยังไม่ศึกษารายละเอียดอแต่ว่าฟังแล้วก็สรุดใจนะฮะสลดใจว่าโหดหูเออแปลกไง นั่นก็คือคือคือว่าผลรั ว, ว่ารับผิดชอบอย่างไงอะ่ะอันเนี้ยคือพูดโดยสัตว์สองเท้าอ้าวแล้วแล้วถ้าคุณให้กษัตริย์ประเสริฐสุดแล้วพระอาหารหันต์อยู่ที่ไหนล่ะผู้เจ้าอยู่ที่ไหนล่ะก็สองเท้าเหมือนกันนะทีนี้พอเอาโคไว้นสัตว์สีเท้าอ้าวคุณก็โคอ๋ อ, อแล้ช้างล่ะมาล่ะแต่ซึ่งในเชิงราคาเองเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าพวกนี้ฝึกขึ้นมาเนี่ย โค้ชูดไม่ได้ละม้านี่ราคาจะเยอะช้างราคาจะเยอะแต่เฉพาะม้านะยุคสมัยปัจจุบันเนี่ยก็มาก้าราคาแพงมากแต่นี้ประการต่อไปเนี่ยท่านบอกว่าพัญญาวัยรุ่นประเสริฐสุดังหมู่ปัญญาอันนี้ยิ่งเละเลยเออแล้วมันพูดด้วยอำนาจการมารรคะ คือหนาการราคาคือเอาสาวสวยๆมาเป็นพัญญาแสดงว่าหมกมุ่นในเรื่องในเรื่องทางการราคามากปุจจ้าก็ส่งโตอตอบนะว่าพัญญาที่ปรณิบัติสามีดีประเสริฐสุดในหมู่พัญญาคือคือคือไม่รู้อายุเท่าไหร่อะแต่ว่าทำหน้าที่ของพัญญาดี จัดการงานดีสงเคราะห์คนขัางเคียงของสามีดีไม่นอกใจสามีรู้จักบริหารจัดการทรัพสมบัติที่สามีหาได้มาแล้วขยันในภารกิจอันเป็นหน้าที่ของพัญญาปรินาแสดงไม่ใช่ไปสอนเขานะฮะไม่จะไปจะสั่งเขาคือว่าเราก็บอกว่าพัญญาในโลกนี้มีอยู่เจ็ดประเภทคุณก็เลือกเอา ผู้หญิงก็เลือกเป็นอาว่าคุณจะเป็นอะไรนะพัญญาเสมอจะโจรเสมอกับเพาะจะคาดเสมอกระนายพัญญาเสมอกับแม่พัญญาเสมอกับพี่สาวน้องสาวพัญญาเสมอกับเพื่อนพัญญาที่เสมอกับฐานสีเอา้าเป็นอา้าเลือกอ่ะเดี๋ยวหน้าที่ก็คือห้ห้าอย่างถ้าถ้าพัญญาสีา่ประเภทหลังเนี่ยมันก็คือคือทำหน้าที่หอย่า ง, างที่ว่า แต่ถ้าปัญญาสามประเภทแรกมันก็จะไม่ทำจะข่มขู่คุคามสามีก็เลือกเราคือศาสนาเนี่ยไปไปสั่งอะไรใครไม่ได้มันก็ทําได้แค่บอกว่าโลกนน เ, นเนี่ยมันเปลี่ยงเนี้ยเพราะปัญญาอย่างนี้มันมีอยู่ก่อนในโลกเนี่ยพุณเจ้าก็รวบรวมทั้งหมดออกมาไว้แ ล, ล้วก็มันแสดงสามีก็เหมือนกันนะสามีทําตัวเหมือนนายเหมือนพระเจ้าขาเหมือนก็โจดหรือว่าเหมือนกับพ่อ เหมือนกับพี่ชายน้องชายเหมือนกับเพื่อนแล้วก็เหมือนกับธาตุก็เลือกเอาเพราะปัญญาถือว่าใบรุ่นประเสริฐมันก็ไม่ถูกอ่ะไม่มีเหตุผลในตัวของมันแต่ว่าเราจะเห็นว่ามันสืบเนื่องมาจากวัฒนธรรมวัฒนธรรมของสังคม เมื่อก่อนนี่ฟังท่านนายกพูดเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจก็ฟังสองครั้งนนะฮะแล้วก็อ่านในลงสือพิมพ์ด้วยยังคมนะคือนายกคนนี้คมมากความคิดความอา่านมีวิสัยทัศน์เข้าใจปัญหาสภาพไปร้ององค์ประกอบองค์รวมต่างๆก็เก่งก็มียงก็อัดใส่เทพมาให้ด้วยกเราเห็นอย่างหนึ่งว่า คือคื อ, คอท่านบอกว่าไม่ใช่ก o p ปีแต่ว่าเป็นอแดบคือว่าปรับปรุงป ร, ปรุงออกมาใช้แต่ว่าความคิดของเราส่วนใหญ่เนี่ยเราจะก o p ปี้นะจะก o p ปี้ความคิดพรัง่งผู้ใาญในวงการศึกษาอย่างอาจารย์สารุษบุตศรีท่านเคยพูดท่านบอกว่าเขาส่งให้มันไปไปรับมีดมันดันแบกหิมกลับมา แต่อมาก็อดีตรัรมธีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านหนึ่งก็เคยพูดพินโยสาธร น, นะฮะเคยพูดแต่เนี้นก็ท่านนยก็พูดอีกี่ยกับเรื่องเรื่องเรื่องก็ปีคคคคป้ความคิดกระลังมายริงเราเรามีเยอะมากนะความก็ปี้ความคิดฝระลังมาซึ่งมันก็เหมือนนักธิโบราณท่านบอก เห็นช้างขี้ก็จะขี้อย่างช้างเหมือนกว้างก็่าจะกว้างอย่างเหมือ ง, ง, ง, อยงเองอยอะน้อยหอยน้อยให้ยัดพลอยเปลือกคือความคิดของของภูมิปัญญาของคนไทยเนี่ยคื อ, อยังนึกเสียดายวันก่อนเมือฟังก็อธิบายเรื่องสมุนไพราการงานภาษาละดีทางโทรทัศน์เนี่ยถ้ามีโอกาสก็จะฟังต่อพอไมมีโอกาสเข้าไปสัมผะสก็มาเคย คุยกับหมอมาตลอดบอกว่าหมอหมอหมออย่าไปคิดอย่างนั้นเวราอย่าลืมว่าชนชาติไทยเนะี่ยมีอายุสืบต่อกันมาก็ไม่น้อยกว่า3 0มพันปีแล้วก็อาจจะถึงห0 0พั น, นกบนับรุ่นราเคยเดียกับจีนบรรดุเราสะสมภูมิปัญญาในเรื่องยาไว้เยอะมากๆเลยแล้วยาเป็นอันมากที่ในปัจจุบันเนี่ยสู้ยาซึ่งหายไปไม่ได้ ระยะนี้ยเราเกิดทันเราเคยเห็นจนึงกระดูหักกระดูแตกอย่างเงี้ยคือสู้วิธีโบราณไม่ได้รักษาต้งสาวบันหายเลยมันไม่ใช่อยู่เป็นเดือนนะเข้าปืดเป็นเดือนไม่หรอกของเขาของเขาเนี่ยนิดเดียวเองทำวิธีเขาแต่มันหายไปอ่ะพราะเราไปไปชื่นชมกับความคิดของขรังเรนี้ก็ย้อนกลับมาที่ยาสมุนไพร คือยาสมุนไพรเป็นยาบำรุงยากระรังเป็นยาบำบัดคือยาบำบัดมันคล้ายๆกับเราราดน้ำลงไปที่พื้นต้องการจะล้างในที่หนึ่งเนี่ยมันลามนะเช่นว่าการฉายรังสีเอกซเรคอมมินิตไม่ใช่มะเร็งอะเราไม่เกตดว่าเลอะเทอะไปเปื้อนไปเยอะ เ, เลยไม่กินตัอื่น คือมันไม่ได้ไปไปมุ่งเจาะเฉพาะตรงนั้นแต่นี้บำรุงมันก็ค่อยๆหายชาหน่อยแต่มันเกิดขึ้นมาพรานเราจะเห็นว่าในแนวตรงนี้ท่านท่านจะสอนในแนวที่เป็นธรรมชาติว่าครอบครัวสังคมเนี่ยสามีพัญญาต้องเป็นอันหนึ่งเดียวกันแต่ละคนก็ทาหน้าที่ดี เ, เธออยู่ไว้อะไรก็ไม่รู้แหละมันก็แล้วแต่คนอายุตั้งห้ากสิบแล้วจะให้มีพัญญาัยรุ่นได้ไง แล้วก็พัญญาที่ดีแ่แหละพัญญาที่ทำหน้าที่ดีสามีที่ทำหน้าที่ดีนั่นแหละก็เป็นยอดของพัญญายอดของสามีทีนี้ระบบความความเชื่อความคิดเนี่ยแนวแรกตั้งแต่แนวแรกที่บอกว่ากษัตริย์ประเสริฐสุดในหมู่สัตว์ ส, วสองเท้าเนี่ยมันเป็นความคิดแบบโบราณที่ถือว่ากษัตริย์เป็นวันะของผู้นา แล้วก็ศักระพามเนี่ยถ้าเราลองสังเกตว่าต่อสู้กันมาตลอดแล้วก็ชิงกันนํากันมาตลอดในสมัยพุทธกาลเห็นได้ชัดเจนบัคกษัตริย์นาหมดปูพราหมณ์เป็นได้อย่างมากก็ถ้าเทียบปัจจุบันก็คือในอเมเิอเป็นได้อย่างมากก็แค่ในอเมเิอแล้วก็เป็นปุโรหิตเปที่ปรึกษาเป็นผู้รับใช้ของกษัตริย์สนองงานกษัตริย์ อาจจะเป็นครูบาอาจารย์อาจจะเป็นครูบาอาจารย์ในได้ก็แถวปรุโรหิตนะแถวครูบาอาจารย์แถวที่ปรึกษาแต่ว่ากษัตริย์เนี่ยเขาเป็นผู้ประเสริฐสุดเพรา ะ, ะนั้นถ้าถ้าจะเอาตรงนั้นมันก็มันก็ฟังได้ทีนี้ด้วยระบบ ก, การต่อสู้เนี่ยเริ่มทีเดียวเนี่ยระบบปัญหนเนี่ยเขาบอกว่าพรามเนี่ยมันเกิดมาจากจากโอทของพระพรหมนะ แล้วก็ยังท น, นานันทีโคดเนียเขาบอกเขาเกิดจากกระหม่อมเลยคือถือว่าสูงที่สุดในบรรดาพระวรรณพระพรามทั้งหลายแต่ในขณะเดยกันพราหมเนี่ยเป็นคนเขียนคำผีพระเวศพราหมณ์ก็ไว้กษัตริย์นี่เกิดจากพาหาหรือจากอกจากแขนหรือจากอกนะก็แล้วแต่มาแหงมาแหงบอกว่าแขนบ้างมาแห่งบอกว่าอกบ้า ง, าา ง, าา ง, างก็ตามกว่าต่ำกปากตามกาา ก, าม ก, ากระหมอ่อม ทีนี้พาดเนี่ยเกิดโดยเปล่าตักตักของของพระพรหมแล้วก็สูดเกิดที่เท้าบางคนก็ เ, เล่นเล่นไม่รู้ยืนหรือนั่งเหมือนกันนะฮะเพราะว่าแต่เกิดที่ตักเนี่ยถ้าไม่นั่งไม่รู้เกิดยังไงเหมือนกันอันนี้ก็ก็ทําให้มองเห็นว่าไอ้ระบบการคิดบางอย่างเนี่ยการเชื่ออะไรบางอย่างเมื่อก่อนฟังเขาอธิบายเรื่อง รอยพระพุทธบาทสามรอยนะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นโอ้โหใหญ่จังคือถ้าพูดในแนอุเทสิกเจดีก็ช่างเถอะมันก็ถูกต้องแหละใหญ่เล็กก็ไม่สําคัญหรอกเป็นอุเทสิกเจดีแต่อย่าพูดเป็นบริโภคเจดีอย่าพูดถึงแล้วพระเจ้ามาเหยียบประบาทไว้ใหญ่โตขนาดนั้นพระเจ้าองค์โตขนาดไหน อย่าง้ที่เราเชื่อพระเจ้ามีเสูงตั้งสงิบแปดศอกก็เกินเหตุไปนะบางทีก็อะไรล่ะฝังลงไปตั้งร้อยศอกร้อยวาไม่ใช่ร้อยศอกฝังลงไปในดินนะร้อยวาฝังลงไปทําไมตั้งร้อยวาฝังได้ยังไงนะแม้ในปัจจุบัน ใ, นใช้เครื่องเยอะนะถ้าลงไปร้อยวาเนะี่ยเทคโนโลยีสมัยนะั้นมันมีหรอที่ไปขุดดินลงไปได้ตั้งร้อยวา อันนี้คือคือคือการมองไม่ได้มองเขาเรียกว่าอะไรบริบทนะองค์ประกอบร่วมทั้งหลายเนี่ยสภาพใกล้เคียงทั้งหลายเนี่ยเราไม่ค่อยมองอรับเรามองดุ ย, ดยไปเฉพาะเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ของเราในในในวนรรณคดีของเราในจริงก็มีเยอะเหมือนกันก็เป็นระบบความคิดเขาแบบพรามนะฮะเขคิดในลักษณะอย่างนี้ อันนี้เราเห็นได้ชัดว่ามันโลกมนุษย์เนี่ยที่ชัดเจนว่าสวอิสยียงโลกอำนาจเป็นใหญ่อำนาจเป็นใหญ่ไม่รู้ว่าใครยึดกุมอำนาจไปได้เขาก็เป็นใหญ่หละ ว, วันก่อนอ่านบทความในก็ยังชื่นชมนะฮะไอ้ค อ, อลัมนิสต์คนนี้เมื่อก่อนเนี่ยเขา อ, อยู่รู้สึกอยู่แถวสยามรัฐอะไรเอ๊ะทาไมเปลี่ยนนความคิดก็ชอบคน คือก็บอกว่าปัญหาทั้งหลายทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดในบ้านในเมืองเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่ครอบครัวท่านนายกไปขายหุ้นให้อะไรเทมาแซกอะไรเนะนี่ยแล้วนัึกคือมันเกี่ยวอะไรมันเกี่ยวอะไรล่ะเบียชางเขาก็ขายที่สิงคโปร์นะอะไรล่ะดีแท็กอะไรนะเนี่ยก็ขายโออิจิเขก็ขายก็ขายกันเรื่องธรรมดาในะขายคุ้นอะแล้เป็นเรื่องของคนนะฮะเป็นเรื่องในส่วนของปฏิจจกชน และที่จริงถ้าเราสังเกตระยะเวลาเนี่ยเหตุการณ์นี้มันเกิดแถวเมษาแต่ว่าที่เขาโจมตีนายกเนี่ยเขาโจมตีมาตั้งนานแล้วก็เป็นใหม่ใ ม, มันก็เริ่มโจมตีแล้วก่อนก่อนจะมาเล่นการเมืองมันก็โจมตีแล้วเพียงแต่ว่ายังหาประเด็นไม่เจอนะแล้วก็หาในรูปยังไม่ได้มันอย่างเนี้ยอย่างเล่นมั น, เ ล, นเล่นมาที่สังกาชบ้างเล่นที่โบสถะแก้วด่างบางมันไม่มีมันไม่เป็นประเด็น เพราะฉะนัะ้นก็หาในร่วได้น้อยแต่พอมาเข้าในวนี้มันก็ปลายกันใหญ่เลยแล้วก็คนก็ก็ไม่มีระบบการคิดอ่ะไม่มีระบบในการคิดว่าโดยเหตุโดยผลว่าเออเขาเอาของขายแล้วเอาเงินเข้าชาติสู่ชาติบ้านเมืองทีนั้นเจ็ดมื่นกว่าล้านนี่เออเ อ, อ๊มันขายแผ่นดินได้ยังไงเอาเงินจะต่างชาติเข้ามาในแผ่นดินเนี่ยมันขายแผ่นดินได้ยังไง ไอ้คนคกเขาไม่ได้คิดไงก็ถึงเป็นเรื่องแปลกอ้าวแล้วแล้วถ้าอย่างนั้นแล้วทีคนอื่นขายล่ะถ้าขายแป็นดีด้วยก็แสดงว่าขายได้แก่เนแล้วทําไมคุณไม่ต่อต้านทั้งหมดล่ะก็เปล่าก็แสดงว่าเป็นการเลือกปฏิบัติไมนไม่มีเหตุผลอะไรตรงนั้นถ้าจะให้มันพิสูจน์กันก็ให้ศาลพิสูจน์ก็สู้กันบนบนโรงบนศาล ใตตรงนี้เราจะเห็นว่ามันเป็นแภูมิปัญญาของยุคสมัยต้องการให้เห็นว่าอันนี้มันก็มีการต่อสู้ต่อสู้อย่างหนึ่งคือหมายความมันเทวดาต้องการยืนยันความคิดของอารยานันพรเจ้าเกิดขึ้นมาใหม่เพื่อต้องการจะให้พระเจ้าเป็นแนรวรูปประกวพราะเจ้าไม่เป็นตะขอนึงแล้วก็บอกว่าบรที่เจ้า บุตรหัวปีประเสริฐสุดในหมู่บุตรไอ น, นี่ก็เหมือนกันไม่มีเหตุผลพระเจ้าบอกว่าบุตรที่อยู่ในอาวายของพ่อแม่เนี่ยเป็นผู้ที่ประเสริฐสุดบุตรคนไหนก็ไม่รู้ละแล้วแต่เห็นไหมว่าของพระเจ้านเอาธรรมะเป็นเกณฑ์แต่ของเขานี่เอาชาติกําเนิดเป็นเกณฑ์เอาสถานะเป็นเกณฑ์เพราะงั้นจริงจริงมุมมองที่แตกต่างกัน ลักษณะเหล่านี้แม้แต่ในธรรมะที่พระเจ้าทรงแสดงในที่ต่างๆจะมีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าเราพยายามจับจักว่าธรรมะเป็นเกณฑ์แล้วมองเห็นเป็นกระบวนการเนี่ยมันไม่ต้องไปยึดติดอะไรรุงรรงพันเตไปหมดเลยย่อยตัวอย่างเนี่ยเช่นว่าพรหมิหารสีกับเว้นัคติเนี่ย แล้วกับสารานิยธรรมก็ได้อภิหานิยธรรมก็ได้นะอะไรก็ได้เป็นหลักการบริหารบ้านเมืองบริหารองค์กรบริหารอะไรก็ไม่รู้นะเดี๋ยวจะเห็นว่าแนวพุทธมิหารที้ใช้เมตตานแนวสัปปุริสบัญญัติแนวสัปปุริสธรรมแนวของสารานิยธรรมสารานิยธรรมเล่นทางเมตตาทางทางทางปัญญาที่ว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนมารับสั่งที่ เสด็จออกเสียฮบัญชรที่พระจีนังอันนั้นนะฮะคื ส, สรุปข้อหนึ่งสองสามไว้ในข้อเดียวกันว่าคิดทำพูดด้วยเมตตาหวังดีหวังเจริญต่อบุคคลอื่นอันนี้ก็เป็นที่ยังหลักการหลักการคลองครอบครัวก็ได้อะไรก็ได้ถ้าเอาธรรมะเป็นเกเนี่ยธรรมะมันเป็นกระบวนกมาอีกเยอะเลย คือไม่ต้องไปน้าไปรุงรังขนาดนั้นนะให้ต้องฟังลองคิดดูนะฮะเรารักลูกคําเดียวเนี่ยรักแม่คําเดียวอารักในหลวงคําเดียวอไม่มีอะไรตามมาอีกเยอะเลยธรรมาเป็นพันๆเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยกระบวนการธรรมชาติเนี่ยอย่าชิ้งฐานก็นแล้วกันเพราะถ้าฐานแล้วมันมันเช่นว่าจากไม่ตากลายเป็นโทสะยังพริกอีกเรื่องหนึ่งเลย ด้วจากความรู้กลายเป็นความไม่รู้มันพลิกไปอีกทางหนึ่งแต่ตราบใดที่ยังเดินอยู่บนเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการธรรมะเพิ่มไปตามสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนแปลงไปทีนี้เรื่องโคเนี่ยมันมันเป็นเรื่องของสังคมเกษตรกรรมแล้วก็มีความเชื่อเรื่องโคเป็นพานะของปศุวะนะฮะโกนันทิเนี่ย วันั้นที่เนี่ยเป็นผานะของพระศิวะเว น, นี้สังคมอรารยันก็ยังให้ความเคารพโคอยู่แต่ก็มีลักษณะนะคือถ้าโคที่ไม่ใช่เป็นผานะพระสิวะนี่หมมันใช้งานหนักที่สุดเลยน่าสงสารมากแต่ถ้าโครประเภทใดที่ถือว่าเป็นผานะพระสิวะลูกยิ่ใหญ่มากเลยนะไม่มีใครกล้าแตะต้องเขาเลยนะเขาเดินเต็มถนนในรถต้องชะลอเขาอะ ไปแซงไปขับไล่อะไรก็ไม่ได้บางทีก็ผ้าเพลินก็ไปกินแต่เลยก็ใหญ่มากๆกินใหญ่ตัวจริงๆเลยโคเนี่ยสังคมอารยันผ่านมาสองพันกว่าปีแล้วนะฮะเพราะงั้นก็เมื่อเป็นสังคมเกษตรกรรมต้องใช้ประกอบอาชีพทำนาแล้วก็ลากเกวียนเพราะงโคก็ใช้ทั้งลากเกวียนใช้ทั้งทำนาแล้วก็ บางทีก็ใช้่วางพวกก็ข้ามกันนะฮะแต่เห็นว่าในการฆ่าบูชายันเนี่ยแสดงคือคือคื อ, คอการไม่ฆ่าสัตว์ในสังคมอินเดียเนี่ยมันเพิ่งเกิดสมัยพระเจ้าโสกมันเกิดมาจากกฎเขาเรียกกฎหมาคาตะคืออย่าฆ่าหรือไม่ฆ่าแต่เมื่อก่อนก็ฆ่าคือฆ่าสัตว์บูชายัญเนี่ยอย่างละเจ็ดร้อยชนิดเนี่ยม้ายันสัพเมธาเนี่ยมันฆ่าทั้งอย่างละเจ็ดรอย ทีนี้เราจะเห็นว่าการให้ความสำคัญแก่ปัญญาวัยรุ่นว่าไปเสริฐที่สุดเนี่ยมันแสดงว่าไปคิดในแนวของกามแนวของกามบรุขารลิกาในโยกทีนี้แนวตัวเนี้ยพรพุทธเจ้าแสดงไปทางเสื่อในปราภาวะสูตร ปุเจ้าทรงแสดงไว้ถึงถึงความเสื่อมลหลายเสื่อมใ น, ในข้อหนึ่งรับสั่งว่าชายที่แก่มากแล้วไปหาหญิงทันเพิ่งขึ้นเท่าผลมาพรับมาเป็นภริยาไม่เป็นนันหลับนอนเพราะมัวหึงหวงหญิงนั้นนั่นเป็นทางเสื่อมของคนประการหนึ่งในปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายได้แสดงธรรมเนียมของพรามที่กำลังเข้าสู่ความเสื่อมไว้ว่า แต่ก็เนี่ยพราหมณ์จะมีพัญญาก็ต้องดูแลผู้หญิงที่ก็เรียกว่ามีบรรลุนิติภาวะคือเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่บัดนี้เนี่ยไม่เลือกเลยหมายความว่าผู้หญิงก็ต้องผ่านการมีฤดูไปแล้วแต่ว่าบัดนี้เนี่ยไม่เลือกเลยแม้หญิงที่ไม่มีฤดูก็ไม่แล้วเวน้นแต่ประเวณีนี้ยังไม่มีในหมู่สุนัขพระเจ้าดูด อ, อแรง ยังมีในหมู่สุนัะแต่มีในหมู่คนแล้วเป็นเรื่องน่าคิดมากนะปะเด็นเนี้ยปัญหาตรงนี้เป็นปัญหาใหญ่เลยคือข่าวคร า, าววันก่อนที่เขาพูดถึงครูสังคมเกี่ยงมองด้วยความรู้สึกตําหนินะว่าถ้าครูสังคมเนี่ยต้องให้ออกเลยครูพระละยังพอทำเนาหนะัะครูวิทยาศาสตร์ยังพอทำเนาครูสังคมเนี่ยมันไม่ได้อะ่ะครูคณิตศาสตร์อะไรยังพอทำเนา ครูสังคมมันต้องรับผิดชอบเรื่องศีลธรรมจรญยาแล้วก็ไปเรียกร้องอะไรขอนอนร่วมกวับลูกศิษย์จะให้คะแนนผ่านเป็นเอเอบวกหรืออะไรนี่นะแล้วก็พอสอบสืบสวนสอบสวนเป็นความจริงปรากฏว่าเด็กเขาก็จบไปโดยโดยไม่ต้องไปเหมาะเนื้อมาบตัวอะไรให้แก่อาจารย์หรอกเขาก็ใช้ความรู้สอบเอง ยังมีข่าวที่ที่นักจัดาการคนหนึ่งที่มาเล่าถึงตอนเขาทำวิทยานิพนธ์แล้วก็อาจารย์เอาหน้ามาซบกับเขาแล้วเอ า, เอาวิทยานิพนธ์ไปตีเขาเป็นแดงเถื่อไปหมดเนี่ยแล้วเขาบอกชื่ออะไรด้วยน่ะตามข่าวนี่บอกเขาบอกชื่ออใหญ่ทําไมราชการอย่างปล่อยปะล่าเลยขนาดนี้คนนี้เป็นที่สัตว์าระจันได้ยังไง าศาสตราจารย์ได้ยังไงจิตใจมันเป็นอย่างนั้นนะ่ะแล้วก็ไม่ควรที่จะไปตรวจรอรพิ า, ารในผลใครด้วยนี่ก็เป็นยังเป็นาศาสตราจารย์อยู่ด้คืออย่างนึกเนี่ยว่ามันมันสังคมนี่มันอ่อนแอยกถ้าเราดูพวกเนี่ยพวกต้มตุนทั้งหลายเนี่ยถ้าเราดูอะไรก็ถอดรหัสของของไอทีวีเนี่ยเลิกก็เอก็ใกล้ๆ้สถ า, านีตำรวจนะ แล้วตรงนั้นมันอยู่ยังไงอ่ะน้ำเพออยู่ยังไงตำรวจอยู่ยังไงสารวัตรอยู่ยังไงอะไรแต่โอ้มันมันปัญหามันตามไม่เจอนไหนนี่มันความเสื่อมพระจ้ารับสั่งว่าด้วยว่าสุนัขเนี่จะสมสู่ก็ต่อเมื่อตัวเมีเยมันมีระดูก่อนเท่านั้นเพนั้นธรรมเดชนาบางทีนี่แรงนะ คือตรงๆอ่ะก็พูดตรงๆอ่ะความจริงมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะแต่คนรับไม่ได้เขาไปเที่ยวกับสุนัอขอ้าวเขคุณอย่ามีพฤติกรรมแบบสุนัขที่เขาไม่ได้ว่าอะไรเนี่ยเียแต่เขาดูว่าเวลานี้ยสุนัขเขายัางย่งไม่ไปถึงกับข้ามเส้นจารีตประเพณีของสุนัขมันก็สมสู่กันในหมู่สุนัขที่มีการมีฤดูแล้วแต่ว่าคนเนี่ยไม่เลือก แล้วก็เลยเท่มากเก่งเขอย่าเน้กว่าปัญหาเหล่านี้จะเป็นปัญหาปัญหาจนถึงจุดหนึ่งยังนึกไม่ออกอะนะะว่าจะหาทางออกกันยังไงแล้วก็รัฐบาลเองต้องตื่นตัวมากการศึกษาเองต้องตื่นตัวมากแล้วต้องมองเรื่องศีลห้านี้ให้ชัดเจนเพราะแต่เราแก้ปัญหาศีลห้าไม่ได้เนสังคมวิบัติไม่มีทางหรอกไปอย่าไปคิดเรื่องอื่นเลย เรานึกดูเดียวมันมันอันตรายขนาดไหนความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินหมดไปแล้วก็การคมเหงเดงร้ายต่างๆปัญหาเรื่องปากเรื่องท้องอะไรต่างๆก็ติดตามมาข้อมูลข่าวสารไม่ไม่น่าไว้วางใจหมด เพราะอะไร<ช>เพราะเราเ่า<ๆ>นี่เป็นอาการกิเลสอย่างที่เคยบอกอยู่บ่อยนะท่านผู้ฟังอาจะจะสังเกตว่าทำไมมันเจอสีห้าบ่อยๆ ก, ก็ท่านแสดงไว้บ่อยเนะี่ยมันเป็นหลักของโลกนะหลักของสังคมนะสีห้าทีนี้คนไทยเรามันคุ้นชินกันจนถือเป็นเรื่องธรรมดารับศีเล่นๆแล้วก็ออกพอพระกลับแล้วก็นั่งดื่มเหล้าเฉย คือถ้าถ้าสังคมเกิดรับผิดชอบในศีลที่ตัวเองสมทารานมาและรักษาให้เหมาะสมแก่ผู้สมทารานศีลนี่ความเสื่อมที่ท่านแสดงไว้ในอังคุตานิกายเนี่ยก็จะไม่เกิดขึ้นแต่ว่าเทวดาเนี่ยมันเป็นอย่างเป็นข้านิยมการนิยมของยุคสมัยที่ท่านที่ท่านคิดต้นท่านอย่างนั้นน่แล้วก็แนวในสังยุตานิกายแนวเนี่ยจะเยอะมาก หมายความเทวดาเสนออย่างหนึ่งแต่พระพุทธเจ้าไปอธิบายอย่างหนี่คือบางอย่างถ้ามันถูกต้องเป็นสัจธรรมก็ทรงยอมรับแต่ว่าตรงนี้ท่านผู้ฟังเราสังเกตว่าหมดเลยสี่ประเด็นสี่เรนพระพุทธเจ้าไม่รับเลยแม้แต่ประเด็นเดียวเพราะอะไรเพราะไม่อคําที่ใช้เนี่ยไม่ไม่ไ ม, ไม่ไม่กระชับด้วยฮนะเพราะว่าไปบีบสี่ท่าบ้างไปบีบสองท่าบ้างฮะไปบีบวัยรุ่นบ้างนะะ ไปบีไปบูดว่าปีบ้างนี่มันมันไม่มีเหตุผลในตัวเขามันเองท่านฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมรารวิทย์ไรศรีปทุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบู์ในธรรมจึงมีแต่ท่านผู้ฟังทั้งหลายด้วยทั่วกันสวัสดี